หลวงตาปูด้วยไม้อัดาสีน้าตาลเข้มอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนอกจากที่รับบาดมาแล้วยังมีอาหารอื่นๆที่จัดเรียงไว้วางเรียงรายอยู่ข้างหน้าตลอดความยาวของแคร่ที่นั่งของหลวงตามีคนคอยจัดถวายให้ท่านใส่ในบาดของท่านและพระทั้งหมดผู้คนที่มาคอยฟังเทศและใส่บาดยังไม่มากเท่ายุคปัจจุบันพอนับคนได้วันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดราชการ